พระดาข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่าคนจํานวนไม่น้อยแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าพระดาสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักขึ้นสู่ยอดเขาแล้วปล่อยให้หินนั้นตกลงมายังภาคพื้นตามลงมากลิ้งขึ้นไปอีกแล้วปล่อยลงมา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 หญิงตายทั้งกลมจึงนำไปป่าช้าให้ห้าคนทำหน้าที่เผาอีกห้าสิบคนเที่ยวตรวจดูศพไม่มีญาติอื่นๆนายยะสะซึ่งเป็นหัวหน้าได้เอาเหลาเหล็กแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาขณะที่กำลังเผาอยู่นั่นเองได้อสุภาัญญาคือความสำคัญหมายว่าไม่งามเขาชี้ให้สหายอีกสี่คนดูว่าจงดูศพนี้หนังลอกออกแล้วตรงนั้นบ้าง ตรงนี้บ้างเหมือนรูปโคดางไม่สะอาดเหม็นพึงรังเกียจสหายทั้งสี่คนก็ได้อสุภาสัญญาเหมือนกันเมื่อกลับเข้าไปในบ้านได้บอกเรื่องนั้นแกสหายทั้งห้าสิบคนสหายเหล่านั้นก็ได้อสุภาสัญญายะสะกุลบุตรเมื่อกลับไปบ้านได้บอกแกมารดาบิดาและภริยาท่านเหล่านั้นก็ได้อสุภาสัญญาเพราะเหตุที่มีบรุรพภูปนิสัย ทางอสุภาสัญญานี่แหลเรือนซึ่งเกลื่อนกลนด้วยสตรีงามบำรุงบำเรอให้เพลิดเพลินอยู่จึงปรากฏแก่ยัะกุลบุตรประดุดป่าช้าและด้วยอุปนิสัยนั้นเหมือนกันเขาจึงได้บรรลุคุณวิเศษคืออรหัตผลพวกเขาได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะถ้าไม่มีอุปนิสัยทางนี้แล้วความรู้สึกอย่างนั้นจะเกิดแก่ยษกุลบุตรไม่ได้ ยะสะเป็นบุตรเศรษฐีมั่งคั่งมากในเมืองพาราณสีมีสตรีที่สวยงามบำรุงบำเรอยังดีคืนหนึ่งยษ ะ, ะนอนหลับไปก่อนเมื่อตื่นขึ้นตอนดึกขณะที่ไฟสว่างอยู่เขาเห็นสตรีเหล่านั้นนอนด้วยอาการพิกลต่างๆบางนางพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางสยายผมบางนางน้ำลายไหลบางนางละเมอเพ้อพก หญิงเหล่านั้นปรากฏแกยสะประดุดซากศพที่เขาทิ้งกลื่นกล่นอยู่ในป่าช้าเกิดความสลดจิตเบื่อหน่ายออกอุทานด้วยความสลดใจว่าที่นี่ขัดข้องหนาที่นี่หุ่นวายหนอจึงลงมาสวมรองเท้าออกจากเรือนไปออกประตูเมืองเดินไปทางที่จะไปป่าอิสิ ป, ปัตนะเวลานั้นใกล้รุ่งแล้วพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่ในที่โล่งแจ้ง ทรงได้ยินเสียงของยะสะกุลบุตรว่าที่นี่ขัดข้องหนาที่นี่วุ่นวายหนาจึงตรัสเรียกและว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยะสะกุลบุตรได้ฟังดังนั้นจึงถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงแสดงธรรมให้ฟังตรัสถึงเรื่องทานศีล ส, สวรรค์โทษของกามและความสุขความโปร่งใจของผู้ออกจากกามแล้วโดยใจความย่อว่า มนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันควรต้องมีการเสียสละให้กันไม่เบียดเบียนกันจึงจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขแต่ความสุขชั้นกามนั้นเจือด้วยโทษเป็นสุขที่เจือด้วยทุกขสุขโสมนัสอันใดเกิดจากกามนั่นคือคุณของกามทุกโทมนัสอันใดเกิดจากกามนั่นคือโทษของกามแต่กามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกขมากมีพิษมากมีความเดือดร้อนมาก มีรสอร่อยน้อยมีความขมขื่นปวดร้าวมากผู้เห็นโทษของกามจึงชักกายชักใจออกจากกามได้ความโปรงใจมีความสุขอันประนีตนั่นคือเนคขมสุขไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องหวาดระแวงไทยเพราะกามเยะสะกุลบุตรผู้นายกามอยู่แล้วเมื่อได้ฟังพระพุทธพจน์อัญชี้ให้เห็นโทษของกามและคุณของการออกจากกามจิตก็แล่นไปสู่เนขมสุข พระศาสดาทรงทราบว่าจิตของยะสะห่างจากความพอใจในกามควรรับพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นไปได้แล้วจึงแสดงอริยสัจสี่เสมือนช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้สะอาดควรนแก่การย้อมก่อนแล้วจึงย้อมด้วยสีที่ต้องการยะสะกุลบุตรฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาภายหลังจึงได้สาเร็จอรหัตผล ดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะข้อความที่น่าสกิดใจอย่างยิ่งก็คือคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยศะบิดาของท่านยาศบอกว่ามารดาเศร้าโศกรำพันถึงบุตรนักหนาขอให้ชีวิตแก่มารดาโดยการกลับไปเรือนเถิดพระยศะมองดูพระาศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจิตของยศหลุดพ้นจากอาสวะ มิได้ยึดมั่นด้วยอุปทานแล้วควรหรือที่ยศะจะกลับไปบริโภคกรรมคุณอีกเหมือนแต่ก่อนบิดาของพระยศทูลตอบว่าไม่อย่างนั้นเลยพระเจ้าข่าเป็นลาบแล้วความเป็นมนุษย์อันพ่อยศได้ดีแล้ว ราดาเมื่อเศรษฐีบิดาของท่านยะศาทราบว่าบุตรของตนบรรลุอรหัตผลสิ้นกิเลส ท, ทั้งปวงแล้วพูดออกมาว่าความเป็นมนุษย์อันพ่อยะศาได้ดีแล้วดังนี้เป็นการยืนยันถึงความเข้าใจของท่านว่าการได้ดีสูงสุดของมนุษย์นั้นคือการสิ้นกิเลสดังนั้นภาวะแห่งการสิ้นกิเลสจึงควรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์และต้องเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทุกๆชาติที่เกิด แต่จะไปสำเร็จเอาชาติใดนั้นก็สุดแล้วแต่บา ร, รมีที่สั่งสมผู้มีจุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างนี้เท่านั้นจึงจะพบกับความสงบสุขของชีวิตมิฉนั้นแล้วถึงจะได้อะไรมาก็หาพอใจไม่ชีวิตจะต้องระหกระเหินต่อไปจิตใจจะดิ้นรนรานหาของใหม่หมแปลกๆที่เข้าใจเอาว่าจะให้ความสุขความสมหวังแก่ตนได้ พระพัทธวัคคีผู้สาเร็จมรรคผลที่ไร้ฝ่ายและท่านฉดินมีอรุเวลกัสปะเป็นต้นก็ล้วนแต่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่ออรหัตผลเท่านั้นหาได้ปรารถนาตำแหน่งใดๆไม่อันหนึ่งชดินสามพี่น้องมีอรุเวลกัสปะเป็นต้นมีชีวิตเกี่ยวพันกับพระเจ้าพิมพิสารเพียงในชาตินี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนๆ ก, ก็เคยเกี่ยวพันกันมาแล้วได้ทาบุญกุศลร่วมกันมา พระศาสดาได้ทรงเล่าเรื่องนี้แก่พิสุจนทั้งหลายว่านับถอยหลังจากนี้ไป92กับในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะสะพระพุทธเจ้าองค์ที่20และ21พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นสมุบัญชีของพระราชกุมารสามพระองค์คือชดินสามพี่น้องเวลานี้ได้ร่วมกันทำบุญทำทานในสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชกุมารสามพระองค์ได้รับศีลสิบ นุ่งห่มผ้ากาสายะสองผืนตลอดเวลาสามเดือนมอบพระราชภาระในการบำรุงพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตให้แก่สมุดบัญชีของพระองค์คือพระเจ้าพิมพิสารเวลานี้แต่บริวารของสมุบัญชีอันเป็นทาสบ้างกรรมกรบ้างได้กินของที่เขาอุทิศสงเองบ้างให้บุตรหลานกินบ้างเพราะไม่อาจระงับความอยากได้เมื่อเห็นของดีๆของนั้นไม่ใช่เหลือจากสง แต่เป็นของที่เขาอุทิศถวายสงและสงยังมิได้ฉันด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นเปรตอยู่นานถึงสี่พุทธันดรได้ถามพระพุทธเจ้าถึงสามพระองค์ว่าเมื่อใดพวกตนจึงจะพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสตอบว่าจักพ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายเวลุวันแก่พระศาสดาแล้วเพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วของเปรตเหล่านั้นปิดบังไว้จึงบันดาลให้พระเจ้าพิมพิสารมิได้ทรงระลึกที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ใครเลยในราตรีนั้นเปรตทั้งหลายจึงไปเปล่งเสียงอันน่ากลัวในพระราชวังของพระราชาแสดงตนให้ปรากฏจอมเสนาแห่งแคว้นมคตทรงสะดุ้งตกพระไทยเป็นอันมาก รุ่งเช้าจึงเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทูล ถ, ถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิษนับถอยหลังจากกลับนี้ไป92กัปในาศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าบุษตะพวเปรตเหล่านั้นเป็นญาติของพระองค์กินอาหารที่เขาเตรียมไว้ถวายสงเกิดในเปตโลกแล้วหวังได้รับส่วนบุญจากพระองค์มาตลอดการช้านานพระองค์ผู้เจเริญ ถ้าม่อมฉันถวายทานในบัดนี้เปลดเหล่านั้นจักได้รับหรือได้รับมหาบพิตรพระศาสดาตรัสตอบพระราชาพิมพิาสารทรงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นแล้วได้พระราชทานส่วนบุญว่าด้วยอนุภาพแห่งมหาทานนี้ขอข้าวน้ำอันเป็นทิพจงสเร็จแก่เปเเหล่านั้น ข้าวน้ำอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นแล้วคืนต่อมาเปรตเหล่านั้นเปลือยกายแสดงตนแก่พระราชาพระเจ้าพิมพิสารทูลถามความนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสให้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายจีวรแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทรงอุทิศบุญว่า ด้วยอนุภาพแห่งจีวรฐานนี้ขอผ้าอันเป็นทิพจงเกิดขึ้นแก่เปรตทั้งหลายขณะนั้นเองผ้าทิพเกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นพวกมันและอัตภาพแห่งเปรต ด, ดำรงอยู่ในอัตภาพอันเป็นทิพแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาบุญของพระราชาพิมพิสารโดยในว่าเปรตทั้งหลายมายืนอยู่ที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งบ้าง มาสู่เรือนของตนแล้วยืนอยู่นอกฝากประตูบ้างเมื่อข้าวน้ำและของควรเคี้ยวควรบริโภคเป็นอันมากมีอยู่ใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์นั่นเองปิดบังไว้ผู้มีใจอนุเคราะห์เมื่อให้ทานจึงควรระลึกถึงญาติบ้างว่าขอกุศลผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ญาติทั้งหลายผู้ไปบังเกิดเป็นเปรตมาประชุมกันอนุโมทนาด้วยความเคารพตั้งจิตให้ญาติผู้ทําบุญไปให้ได้มีอายุยืนนานทายกผู้ทําบุญก็ไม่ไร้ผลในเปรตโลกนั้นไม่มีกสิกรรมโคลกขะกรรมก็ไม่มีไม่มีพาณิชกิจหรือการซื้อขายใดๆเปรตทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยทานที่มนุษย์ทําบุญอุทิศไปให้เท่านั้น น้ำตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดขอทานที่ท่านให้แล้วจากโรคนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนห่วงน้ําหรือห้วยหนองคลองบึงเต็มแล้วลังลุ่งสู่สาครนผู้มีใจกรุณาระลึกถึงอุปการะที่ท่านทําแล้วแก่ตนมาก่อนว่าผู้นี้ได้เคยให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้เคยทําสิ่งนี้แก่เรา ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนของเราแล้วทำบุญให้ทานอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับทั้งหลายด้วยความสานึกขุนนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนการร้องไห้เศร้าโศกคร่าครวญไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับเขาคงอยู่อย่างนั้นเองไม่ทำให้อะไรดีขึ้นทักษิณาที่พระองค์ทรงบาเพนน็ญนี้ชื่อว่า ทรงตั้งไว้ดีแล้วในสงจกเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานจะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ล่วงรับตามควรแก่ฐานะพระองค์ทร ง, งแสดงญาติธรรมให้ประจักษ์แล้วในคราวนี้ทรงทำการบูชาอันโอฬานแก่พระญาติผู้ล่วงรับทรงให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยแล้วชื่อว่าได้ทรงขนขวายในบุญเป็นอันมากพระคาถาอนุโมทนานี้ ยังความปราบปลื้มพระไทยให้เกิดแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นที่ยิ่งเพราะมีพระไทยจดจ่อในการบุญกุศลอยู่แล้วเมื่อทรงทราบว่าพระราชกุศลที่ทรงทำอุทิศให้พระญาติในอดีตสำเร็จประโยชน์เช่นนั้นก็ทรงปราโมทขึ้นอีกเป็นทวีคูณพระดากรรมดีกรรมชั่วมีจริงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงบุคคลมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นพวกพ้องเป็นที่พึ่งอาศัยคนทำดีหาความสุขได้ง่ายส่วนคนทำชั่วหาความสุขได้ยาก